สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาทดีๆจะช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะตีสี่ครึง่งถึงตีห้านะคะก็ครึง่งชั่วโมงเต็มๆกับจิตวิทยาแบบเบาๆที่ถ้าฟังเราทั้งสองคนแล้วคุณผู้ฟังจะสามารถนําความรู้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังคิดบวกมากๆนะคะดําเนินรายการโดยดิฉันทิราวดียิ่งมีค่ะแล้วก็รุ่งยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัทพงษ์ชูไทย อาจารย์ประจำภาคิจิตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุ้ยสวัสดีครับลุงพีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วย ค, ครับผมค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ค่ะลุงหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังเนี่ยเราอาจจ ะ, ะไม่ได้เกริ่นกันมาก่อนเลยแต่เชื่อว่ามันเป็นชีวิตของลุงเลยในช่วงนี้โอ๋อย่างนั้นลุงก็พูดสบายเลยจ้ะใช่เพราะว่าลุงกําลังจะ รับราชการมาแล้วก็อาศยเกษียณอายุราชการ อ, กอืมวันนี้ย17 ก, ก, กันยาแล้วอีกสามวันกเกษียณ่ตะตลอดระยะเวลารับราชการมาเนี่ยลุงอาจจ ะ, ะตื่นเช้ามาเพื่อที่จะทํางานแต่พ อ, อที่จะเกษียณอายุราชการลุงอาจจะต้องปล่อยวาง อ, อวันนี้จะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะได้ครับได้วันนี้เราจะพูดถึงวิธีคิดที่จะปล่อยวางกับชีวิตซึ่งก็เหมาะมากกับหลายๆท่านที่กําลังจะเกษียณอายุในเดือนนี้นะคะ ก็บางทีเราอาจจะพอชีวิตเราทํางานเกษียณอายุเราอาจจะต้องเปลี <S <s so ่ยนความคิดใหม่ใช่ไหมคะลุงถูกต้องครับเพราะว่าพอสถานการณ์ใหม่เราก็ต้องปรับความรู้สึกปรับความคิดใหม่ค่ะเพราะว่าเราเคยชินอยู่กับสิ่งที่อยู่เดิมๆเอาว่าข้าราชการก็แล้วแต่นะครับสักประมาณสามสิบปีเนี่ยต้องมีอยู่ได้แน่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะ จำเจรูทีนกันไปสัหน่อยแต่บางทีอ่ะลุงมันยึดติ่ไงอย่างสมมติว่าเขามีอำนาจมีตำแหน่งพอฉันจะเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยบางคนเขาก็ยังยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่กับหัวโขนอ่ะออ่าถูกต้องคือยังรู้สึกว่าฉันอยากที่จะสั่งคนนู้นคนนี้ได้ควรจะมีใครเอากาแฟมามาเสิร์ฟที่ห้องไม อทั้ทงทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่หัวโขนใช่ไหยคะพอระวางออ ก, กมันก็คือปุถุชนคนธรรมดาถูกต้องครับถูกต้องเลย <c oughs> อันนี้ต้องฟีพูสกุลครับค่ <c oughs> <c oughs> ะเพราะฉะนั้นวิธีคิดที่จะปล่อยวางกับชีวิตเนี่ยทําอย่างไรได้บ้างวันนี้เรามีคําตอบแน่นอนนะคะครับลงุองอยุ้ยคิดว่าการปล่อยวางคืออะไรคะปล่อยวางเนี่ยในตามความเข้าใจของลุงนะคือการที่เราไม่ไม่ไปยึดติด ไม่ไปยึดมั่นกับเรื่องบางเรื่องค<ะ>นะครับคือบางคนเนี่ยนะครับมันมันทำมาแล้วมันติดเนี่ยเอายกตัว อ, อย่างง่ายๆก่อนว่าอย่างเช่นเราเคยคุ้นเคยกับคนคนนี้เคยกินข้าวกับคนคนนี้ตลอดระยะเวลาหกเดือนแล้วเราก็พอเวลาคนคนนี้ไม่มาปุ๊บแม้ว่าเราจะกินได้เองอะแต่ใจเรารู้สึกเนี่ยค<ะ>่ะเออมัน มันีทําไมวันนี้เไม่มาว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับค่ะซึ่งซึ่งอันเนี้ยลุงถือว่าเป็นการที่คุณไม่ยอมที่จะรับสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่อืมนไหครับไม่มาก็คือไม่มาเนาะค่ะไม่มาเพไม่ใช่ชิวิทยไม่มาก็ไม่มาขณะเดียวกันเราลืมไปเลยนะว่าไอ่น้องคนอื่นอีกข้าวคนที่ไปกินข้าวกับเราด้วยเนี่ยถ้าเรากลับบนถึงคนอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มาอืม ให้อีก5้าหคนนั้นเาจะเสียใจไหมเนอกอันนี้ก็คือไม่ปล่อยวางนะคะไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางใช่ไหมครับแล้วเพราะอะไรคะคนเราถึงต้องปล่อยวาง<แ>ทำไมเราถึง<แ>ไม่นึกถึงต้องไปนึกถึงคนที่ไม่มาอย่างที่รุงบอกทำไมเราไม่นึก<อ>ถึงห้าหกคนที่นั่งกินข้าวอยู่กับเราใช่ไหมล่ะเพราะว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยเคยชินรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ทามาเนี่ยมันก็ มันก็มันก็ดีอยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยอย่างที่น้องตีเกิดเลยว่ากเกษมเนี้ยลุงเนี้ยออกซิตรุม่มเกษมลุงก็ต้องรู้ว่าตัวเองเกษมละ่ะค่ะเช่นข่าวบอกว่าอย่างอย่างจัดรายการวิทยุดิง่งเหม่ค่ะข่าวาาบอกว่าจัดจัดไว้ต้อบอก บ, บ, บอกเต็ม่ากเต็นคําเลยจัดจัดอีแต่ห้ะ แต่ถ้ า, าในสถานีวิธีุบอกว่าเนาะเปลี่ยนเป็นรายการอื่นไปนเจอพอดีคุณก็เสียแล้วนะถ้าผมงก็ต้องยอมรับนะตรงนั้นแล้วก็ยุติการจัดรายการวิดีโแล้วไปทำอย่างอื้นใชไหมครับค่ะแล้วก็ บางทีลุงเป็นอาจารย์จิตวิทยาเนาะความเป็นจิตวิทยามันอยู่ในตัวลุงคือไม่ว่าลุงจกกะเกษียณอายุหรือเปล่าลุงจะอยู่ที่ไหนลุงก็ยังเป็นจิตวิทยาที่อยู่ในวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>มันก็สามารถทํางานได้จากรายการวิทยาเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยกันได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าถ้าเขาต้องการปรับเปลี่ยนเราก็ปรับเปลี่ยนให้ใใหเขาใ ช, ววาใช่เราเราจะเวลาเวลาที่ลุงลุงตั้งคําถามอะไรไปบางอย่างในนั้นบางที นสมมติว่าลุงจะชวนน้องทีไปท า, านข้าวเงี้ยสมมติลุงก็อาจจะเริ่มจากว่าน้องทีไปทานข้าวกันไหมจะทนายกันไหมลุงก็นมกเฮ้ยเกิดเขาไม่ว่างล่ะเราต้องเปิดทางอีกทางหนึ่งไว้เลยว่าแต่ถ้าน้องทีไม่ว่างไม่ว่างนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเกิใจเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจเลยนะตัดสินใจได้เลยเพราะว่าคนไทยเรี่เกรงใจครับ บางทีก็อาจจะกลัวปฏิเสธไปแล้วลุงอาจจะเสียน้าใจด<ช>ังทั้งที่เราก็เราก็อาจจะติดงานอะไรที่มันเร่งด่วนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคนั่นแหละเพราะนั้นลุงจะมีประโยคนี้อยู่บ่อยๆเลยกับการที่บอกว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าบอกว่ามีงานอะไรที่ต้องทําทําก่อนเลยวันหลังก็ได้<ช>ค่ะลุงครับไอ้เพศอายุนะมันมีผลต่อการปล่อยวางใช่ไหมคะอย่างเช่นพออายุมากขึ้นเราก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นในขณะซึ่งอาจจะเป็นวัยรุ่นเด็ก ให้เขาใจเย็นๆเนี่ยเขายังทํายากเลยอะค่ะลุงทํายากมากถูกต้อง <c oughs> ใช่เลยครับเพราะนี้วยเพราะวไวรัสเขาจะมีความรู้สึกอันหนึง่งประเด็นสาคัญของไวรัสอันหนึ่งคือการปรับเพื่อนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขารักเพื่อน <c oughs> เพื่อนคือที่สุดของเขาและทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงแม้กระทั่งทําให้บ้าบออแตกอะไรก็แล้วแต่เคยดูหนังเรื่องหนึ่งหรือหนังไทยหรืออะไรจำไม่ได้ลนะเขาเขา ศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะอยากที่จะเป็นลูกน้องของคนคนนี้ยค่ะ<ฆ>อเด็กคนนี้ยก็เป็นเด็กที่หมอปลายก็บอกว่ากระโดดลงไปในน้ําอแล้วก็ไปเอาหยิบเต่าในในน้ํามาค่ะอะไอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเลยครับไอ้นั้นกระโดดอ่ะตอนนั้นที่ไม่รู้ว่าจะกระโดดไปทําไม <c oughs> เห็นไหมครับเพราะนั้นมันมันเลยมีความรู้สึกว่าเอาเฮ้ยนี่คือใบรูนค่ะ แต่ถ้าเราเราจะต้องมีความรู้สึกว่าอะไรครับก็ต้องคิดว่าเราโดดไปแล้วเราจะเป็นยังไงถูกได้ยังไงใช่ไหมว่ามันได้หรือเปล่ามันโดดเพื่ออะไรค่ะใช่ครับเราจะคุ้มที่เราจะทําเพื่อเขาคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพอะโตขึ้นเหตุผลมันอาจจะมีมากขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนผู้สูงอายุที่เวลาเขาอายุมากขึ้นเขาผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมค่ะเขาก็จะมีเหตุผลอย่างที่ที่คิดแล้วมันก็เลยปล่อยวางได้ง่ายๆ ถูกนับมันมันจะดีขึ้นแล้วมันจะเร็วขึ้นเมืม่อเปรียบเสียระยะเวลามันจะสั้นลงใช่ไหมคะในการปล่อ ย, ายวางะระยะเวลาสั้นลงครับเหมือนเสียใจเขาว่จะไม่ฟูมฟารจะเป็นจะตายเขาก็เสียใจนี่แหละแต่เขาก็บางทีเขาก็ยังดูนิ่งเฉยอ่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการนิ่งเฉยในบางเรื่องบางราวถือว่าเป็นการปล่อยวางไหมคะลุงครกบเป็นนะนะแต่อยากให้นิ่งเฉย ในสภาพจิตใจด้วยไม่ใช่นิ่งเฉยแต่ข้างนอกคือข้างนอกดูนิ่งมากเลยนะข้างในนี่แบบแน่จริงมากประมาณเออเนี่ยคือถ้าข้างนอกนิ่งแล้วข้างในนิ่งได้ด้วยเนี่ยสุดยอดแต่ถ้าข้างนอกนิ่งแล้วข้างในยังไม่นิ่งก็ยังดีกว่าไม่นิ่งทั้งคู่ใช่คือเวลามันมีอะไรมากระทบกับเราเนี่ยใจเราอาจจะรู้สึกอะไรไม่รู้แต่ถ้าข้างนอกเรานิ่งได้ก็ถือว่าเราก็คุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งใช่ ยังไม่สุดคุ้มอารมณ์ณได้อื้คนละทีของเราอาจจะรู้สึกขยาดขยาดเราเลยเจ้ไงวะเจ้ า, าไงวะเนี่ะครับเพราะนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับคือการนิ่งเฉยก็ถือว่าช่วยได้ก็คือปล่อยวางได้ไไดทางกายในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะลุงก็เดี๋ยวในเบรกที่สองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีคิดที่จะปล่อยวางกับชีวิตเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ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 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการจิตวิทยากับครูย้ยกันต่อค่ะถ้าวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังของเรานะคะจะทราบว่าเราพูดถึงวิธีคิดที่จะปล่อยวางกับชีวิตนะคะเบลกแรกเราพูดถึงการปล่อยวางไปแล้วค่ะลุงว่าคืออะไรบ้างเพราะอะไรเราถึงควรปล่อยวางนะคะระยะเวลาเ ร, เ, เรื่องระยะเวล า, าเรื่ อ, อายุมีผลหมดนะคะแล้วก็บางทีเห็นนิ่งๆเฉยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการปล่อยวางเหมือนกันนะคะมาถึงเด็กที่สองลุง เรามาดูกันว่าวิธีคิดสําหรับคนที่อยากจะปล่อยวางเนี่ยเขาต้องมีวิธีคิดอย่างไรบ้างคะอันแรกเลยคืออยากจะบอกว่าพวกเราเนี่นะครับไม่มีอะไรที่มันยืนยงคงกระพันหรอกค่ะถูกไหมครับแม้ทุกคนต้องมีต้องมีที่กําเนิดและสิ้นสุดจ่ะค่ะเราะนั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปคาดหวังอะไรกันเยอะแยะเอายกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นตําแหน่งอย่างเงี้ยตอน กเกษียงออกมาด้วยตำแหน่งใหญ่โตขนาดนี้<ฆ>แต่พอวันรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งสุลาคุณก็เป็นนายนัปพงชูไทยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ยกมือไหว้ลุงหรอถ้าเจอลุงเขาอาจจะอืก็เป็นตาแก่คนหนึ่งแต่แคนนึง <c oughs> หมดผลประโยชน์แล้ว <c oughs> อยู่ในบ้าน<อ>หรือว่าอยู่ระแวกบ้านต่างนานอาจจะยกมือไหว้แต่มาเดินออกไปข้างนอกไป ไปตามสถานที่ต่างๆขึ้นรถเมล์ก็มไม่มีใครรู้จักเราอะ่ะอืมไหมครับเพราะนั้นอันเนี้ยเราต้องมันเป็นบทพิสูจน์อันแรกๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่คือความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะจะต้องเริ่มปล่อยวางแล้วนะมันไม่ยั่งยู่นะคะพัฒนาต่างๆใช่ไม่ยังอยูนนะ่ค่ะอีกไม่คะรุ่งอันต่อไปก็คือนะครับพอมันไม่ยั่อยูน่นทุกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแหละค่ะ สวยคคนเราเนี่ยครับเป็นแปลงเรืตลอดแหละอจากที่แย่ๆบางทีก็เราคงเคยได้ยินเลยนะก็ัจากโอ้โหอย่างจนทนแค้นอยู่ๆถูกลงมันที่หนึ่งโครมก็ไปหกล้านสิบสองล้านอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพเลยอ <c oughs> ่ะค่ะในขณะเดียวกันคนบางคนมีเงินมีทองลํารวยมีคนน้ำหน้าถือตาอยู่ๆไปอะไรก็แล้วแต่แล้วลเกิดความหายันต์ใน ในตัวเองมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปล้วค่ะครับอืกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคือจาไว้เลยว่าคนที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคือตัวเราเองแต่เราคนนี้แหละใช่ไหมคะอ่าตัวเรานี่แหละเป็นคนควบคุมสถานการณ์คือเราเป็นคนเลือกเองใช่ไหมคะว่าเราจะจำเราจะไม่ยึดติดเราจะไม่กินเราจะออกกําลังกายไหม ทุกอย่าง <ะ S 1> เราเป็นคนเลือกได้เองหมด เ, เป็นคนเลือกเองหมดทุกคนเลือกเองหมดเมื่อวนันเมื่อวนันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะไปห้าสินค้าเล็กๆนิดนึงอืก็กลางวันที่นั่นก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงก็ไม่รู้จักลงมาถึงก็มาถามบอกว่าค่ะขอโทษนะคะเอ่ออาจารย์นัทพง์ใช่ไหมคะอ๋อเฮ้ยใช่ปะค่ะโอ้ อาจารย์เคยสอนพวกหนูที่อาแบะค่ะคือเคยไปสอนอาแบแค่ครั้งเดียวอุขเขาเรกลุงหลายๆอย่างที่เป็นลุงอาจจะทำให้เขาจำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบบอกว่าเราบอกว่ายังจำได้เลยอาจารย์พูดสนุกมากค่ะบอกโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วพอเขาออกไปเราก็ยังงงอยู่ว่าใครวะแต่ลุงรู้สึกดีใจไหมคะก็ก็ชื่นชมนะครับ เรายืนชมแต่แล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอย่างนี้บ่อยๆถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไม่มีใครมาชื่นชมหรือไม่มีใครมามามายกมือสวัสดีหรือทักทายมันก็เป็นเรื่องปกติของบรรลุค่ะนีครับเราจะมีชีวิตอย่างไรคะลุงถ้าเรารู้จักปล่อยวางคิดที่จะปล่อยวางชีวิตเราจะมีความาสุขแค่ไหนเราเร า, เราเริ่มต้นถ้าเป็นอย่างที่คําถามนี้คือหนึ่งเลยคือเราได้ อยู่กับตัวเองมากขึ้น<ะ>อันนี้อันนี้ลุงพูดเป็นความจริงเลยนะลุงดีใจมากเหมือนกันนะกับการที่ได้เกษยียณเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นลุงต้องฮ<ะ>เฮ้ยเราเข้าปรชุงหรือเปล่าวะทำมคอออกสารหรือเปล่าต้องเขียนหลักสูตรต้องต้องนนี่นั่นหรือเปล่ามันเป็นภาระงานที่ต้องทำหมายถึงว่าถ้าลุงรู้รู้จักปล่อยวางลุงจะทําอะไรได้ช้าลงไหมคะจะคิดน้อยลงใช้ชีวิตได้ช้าลง มีความสุขมากขึ้นเพราะปกติลุงจะต้องคิดจะต้องทําจะต้องทุกอย่างแต่พอมันมันปล่อยวางไม่ต้องอะไรละไมยถึงว่ายิ่งพอเกษียณอายุอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตแบบอยากที่จะทําอะไรก็ทํารดน้าต้นไม้อยู่กับบ้านสบายใจใช่รดน้าต้นไม้เช้าก็มาเดินแกว่งแขนไปทั้งสามสิบนาทีครั้เนี้ยคงมีเวลาทั้งทุกวันแล้วอย่ามาบอกว่าไม่มีเวลาไม่ได้แหละ คืออย่างแรกถ้ารู้จักปล่อยวางเราคงไม่เครียดนะคะเราคงไม่มีปัญหาในการคิดมากมยังไงเครียดน้อยลงเนาะแม่นอนแล้ว่ถ้าบอกว่าไอหลานคนเนี้ยมันทำไม่ดีเงี้ยก็เออเอให้พ่อแม่เขาคุยกันเอง อ, อะไรอย่างเงี้ยแล้ว ช, ชีวิตชีวิตเราจะเป็นอย่างไรคะลุงถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางาในมุมมุมตรงกันข้ามถ้าปล่อยวางเนี่ย มันจะกลายเป็นคนแก่ขี้บ่นนะไม่ถ้าไม่ใช่คนแก่แล้วค่ะลุงแต่เป็นคนหนุนสาวคุณก็จะไม่ได้ทันยอมรับจากเพื่อนในส่วนหนึ่งคือ<ะ>รู้สึกว่าไอ้ดูไอ้นี่คุณก็จะรู้สึกจะเข้าไปขึ้นจ้านวุ่นวายของเขาทุกอย่างนะครับอย่างเช่นต้องไปจัดโต๊ะแล้วก็มีดอกไม้จัดการดอกไม้วางอยู่เรียบร้อยทุกคนมองสวยงามอืมคนนี้เดินมาถึงปุ๊บใครจัดอย่างนี้เนี่ยค่ะ แต่บางทีเขาใช้กันเหรอเนี э ่ยเอาทั้ทั้งทั้งที่มันเป็นโตทีนะต้องทั้งเป็นโตทีฮัลโหลลุงกับทั้งตัวเองและคนอื่นค่ะคือถ้าเราถ้าเราไม่ได้รู้จักปล่อยวางเลยกับทุกเรื่องนะคะชีวิตเราก็จะหมกบุ่นคิดเครียด บางทีอองกับกับตัวเองด้วยกับตัวเองด้วยไม่ปล่อยวางกับตัวเองแล้วก็ไปเครียดกับคนอื่นกับคนในครอ บ, บครัวกับลูกกับพ่อกับแม่ความกดดันมันอาจจะไปอยู่กับลูกก็ได้นะคะใช่ไหมคะครับมันเป็นมันเป็นรังสีที่ไม่ดีอ่ะไปรอบๆตัวเป็นอะไรนะคะเป็นรังสีที่ไม่ดีรังสีที่ไม่ดีอ่ะค่ะรังสีอมมาิดก็ได้นะมันมีความรู้สึกว่าคนรอบตัว เ, น, น, ะะเนี่ย เขาร้อนไปกับเราด้วยเวลาที่อยู่ใกล้หลานก็คงไม่ได้อย่างมีใครเข้าใกล้หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไปที่จะอยู่กับคนประเภท น, นี้อยู่แล้วสบายใจกว่าอ่ะสุดท้ายค่ะลุงให้กําลังใจสําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาลุมเล้าอยู่ตอนนี้หน่อยคะ่ะปล่อยวางอย่างไรดีก็อยากจะบอกนะว่าทุกคนมีปัญหาเนา ะ, อ, ะอย่าคิดว่าปัญหาตัวเองใหญ่สุด ใหญ่โตโมโหลานทุว่มา <c oughs> มีปัญหาแล้วถ้าเริ่มจัดแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองก็จัดการซะแต่ถ้าแบบว่ามันจะต้องมีคนอื่นที่ก็มาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานั้นก็ลองพูดคุยกับคนหลังนั้นดูค่ะแล้วการาแก้ปัญหาที่มันประณีประนอมแล้วก็ดูมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเขาบอกว่าป<ช>ัญหาที่ใหญ่ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปละ คือวันนี้อาจจะดูใหญ่มากพอผ่านไปสักวันหนึ่งพรุ่งนี้ปัญหามันก็ดูละ<ม>เล็กนิดเดียวบางทีอาจจะต้องอดทนนะคะอันดับแรกแล้วก็ต้องอาศัยระยะเวลาเะียเวลาอาศัยความคุ้นชินะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยระยะเวลาอาศัยความคุ้นชินอย่างที่ลุงบอกนะคะแต่ว่าเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็